เรื่องอาชิตะนะมีสองเรื่อง <c oughs> เรื่องพระอาชิตะเมื่อเสาวคํำเมื่อคืนเนี่ยโอโซโต้หารายละเอียดมาแล้วบอกว่าอีกเว็บหนึ่งที่มีที่รายละเอียดไม่เหมือนกันแต่มีความหมายคล้ายๆ ก, กันก็ ข้อมูลมาให้ข้อสูตรที่เกี่ยวข้องที่ว่าด้วยนางประชาบดีที่ต้องการถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระตจิีดกเล่มที่สิบสี่มัชิมานิกาย อ, าอุปลิกปันนาหน้าสา2แลอสี่สบสองสูตรชื่อว่าทักคีนาวิพังข้าสูตรสองอันเขา ข้อมูลในเว็บสองอันเขาจะไม่เหมือนกันแต่ข้อมูลจริงที่มีอยู่ในบาลีสยามรัฐคือตัวนี้เร่มที่สิบสี่หน้าสามสี่สองส่วนอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องของติโลกุธทธสูตรนะในบาลีสยามรัฐเนี่ยหาไม่เจอคำนี้ไม่มีแต่เจอคำว่าติโลกุธทธกันนะ อยู่ในขุททกะปาฐะเล่นยี 5, หน่หน้าหน้าหกแล้วก็ส่วนกิโรขุททสูตรเนี่ยจะเจอในฉบับของมหามุมกุฏกมหาลานั้นบาลีเสียมรัฐไม่มีไปเจอในของมหามมกุฏมหาจุลาซึ่งไปใส่ข้อมูลใหม่ขึ้นมามหามุมกุฏจะมีวงเล็บบอกไว้ไว้ต่อจากชื่อพระสูตรว่าพระพุทธเจ้าจัดกัด พระเจ้าพิมพิสารเกี่ยวกับการอุทิศบุญบุศลแก่เปลตเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่สายไปทีหลังซึ่งมหาจุลาจะบอกไว้เหมือนกันโดยอ้างอิงที่มาจากคัมภีอัตกถาว่าพระเจ้าตัดกับพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้อ้างบาลีสาระเข้าใส่ข้อมูลจากที่อื่นเข้าไปก็อันนี้คือข้อมูลที่แจ้งพเพิ่มก็เหมือนอย่างที่บอกแปดหม่สี่พันรัธรรมการเนี่ยในบาลีสารมันจะไม่มีแต่จะมีใน ของมางทำกุฎาุดลาซึ่งเขาไปเอาข้อมูลจาวที่อื่นมามส่วนใหญ่ก็ไปเอาอัธกรถาที่ถูกแต่งขึ้นมาประมาณพันกว่าปีหมดแล้วตอนนี้อัปเดตแค่นี้ก่อนอใครมีประเด็นอะไรบ้างเนาะเสีย แบบนมาสการ่าตุการพองขอญาตกล่าวเปิดถวายพระสูตรอาจารย์จากหนังสือลอยธรรมตามลอยธรรมหน้าเก้าสิบห้าพระสูตรที่สามสมเก้าพระสูตรที่ว่าผู้แบกของหนักอออขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพิสูจทั้งหลาย เราจะแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธอพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นพิสูจทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าของหนักอุปาทานขันทั้งห้านั่นแหละเราเกล่าวว่าของหนักอุปาทานขันทั้งห้าเราได้เล่าคือ ขันอันเป็นที่ตั o ้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอ hmm. ันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณที่สุดทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าของหนัก พิสูจทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนักพิสูจนทั้งหลายบุคคลนั้นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนักเขาชื่ออย่างนั้นเขามีโคษอย่างนี้ตามที่รู้กันอยู่พิสูจทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าชื่อว่าผู้แบกของหนักพิสูจนทั้งหลาย อะไรเล่าเรียกว่าการแบกของหนักที่สุดทั้งหลายตัณหาอันใดอันทําให้เกิดอีกอันประกอบด้วยความกําหนัดเพราะอํานาจแห่งความเพลินซึ่งปกติทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็นพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการแบกของหนักวังอ ก, ก็ดูพู้เจ้าจะแบ่งเป็นสามประเด็นนะมีของหนักนะมีผู้แบกมีการแบกนะมันต้องมีของหนักก่อนแล้วก็มีคน คนแบกแล้วก็มีการแบกคือคนอนะ่ะอาการที่คนนั้นเข้าไปแบกของหนักไอ้ของหนักนี่ก็คืออุปทานขัน5่าความยึดในขันทนะ่านพุทธเจ้าบอกของหนักนะผู้แบกของหนักก็คือบุคลนะคลเรียกว่าบุคคลคนๆ น, นี่แหละนะส่วนการแบกเนี่ยก็คือการเข้าไปมีฉันทะความพอใจหรือตัณหานะความอยาก อันใดที่นำเข้าไปสู่สิ่งนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของการแบบงก็ครูเจ้าแบ่งละเอียดมากจะคล้ายๆกับพบกับชาตินะพบกับชาติตัณหา <c oughs> ตัณหานำพาไปสู่อารมณ์ตัณหานาไปสู่อารมณ์ปั๊บเนี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานจะมีการจับยึดพอจับยึดปั๊บก็คือมีผ้าในมือมีอารมณ์ในความรู้ของจิต ก็เรียกว่าพบแล้วถ้ารู้ต่อไปก็จะเรียกว่าชาติแล้วจะจบด้วยชลาหมอนนะนะแยกการเข้าไปหาการจับยึดการมีสิ่งนี้ในความรู้ของจิตและการผูกติดกับอารมณ์ต่อไปละเอียดมากนะจะคล้ายๆอย่างนี้มีผู้แบกมีการแบกมีของหนักนนะคำพุทธเจ้าจึงต้องอ่านแล้วต้องไข้ครวนดีๆต้องตั้งใจอ่านดีๆ สูตรนี้ก็เป็นประโยชน์มากอยู่อือหึเจ๋ง ดาวโหลดพุทธวจนะที่ใช้ในการสอบทานคำสอนต่างๆนี่ครับพอเข้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยต้องต้องเข้าไปในส่วนไหนครับยังหาไม่เจอเลยตอนนี้เข้าในในแ Store r e ไม่ได้หรอของ iPhone ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออยู่ใน a อ p แอปสตอรเลยใช่ใช่อคครับขอบคุณครับถ้าของ Android ก็เข้าไป a อนดรอยมัดเก็บคีย์คีย์คำว่าพุทธวจนะ ภาษ า, าไทยก็ได้หรือคีย์คาว่าติดติ ก, กะก็ได้โหลดเลยก็ได้ใช้ไวไฟที่นี่ได้ พระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ไปอุบลราชธานีใช่ไหมอ๋ อ, อ, อใช่ต้องออกประมาณบ่ายสองบ่ายสองออถ้าถ้ามีคนไปเช็คอินล่วงหน้าให้ก่อนออกเล็ดจนะ้ะ <c oughs> ไปเทอคาลว่าหรือว่าเทศพระครับพระอาจารย์เจศให้คาลว่าค <c oughs> าลว่าก็มี กลุ่มผู้สนใจผู้ทวัตชที่อุบลไกลมากก็มีจังหวัดใกล้เคียงละแวกนั้นเขาก็เดินทางมาปั่นด้วยก็เลยมีมีโยมที่อยู่ในกลุ่มแถวนั้นก็เลยจัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันขอบพระคุณครับ ก็หลายหลายจังหวัดอยู่รอบๆนั้นก็บอกหลังจากฟังทัศนะแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคือมองภาพมันจะผิดผิดไปหลายๆอย่างแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรหลายๆ อ, อย่างด้วย่ๆ มองเหมือนพระที่ไม่ได้ทําตามพุทธศานะจะเหมือนปริพาโชคเขาเขาเขาพูดอย่างนั้นนะนะแล้วที่สํานักนายกนี่เขายังไม่ได้มีโปรแกรมตารางขึ้นมาจะตสะดวกใช่ไหมครับตอนนี้กําลังตั้งนิดทำทำเรื่องตั้งชมรมให้เสร็จก่อนครับพอดีเรื่องอนุมัติก็ยังคงไม่ เรียบร้อยเพราะต้องรอแล้วบรอ่าฮะมอยาสอบถามอยากสอบถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องพบชาติต่างๆนะคะ <c oughs> การที่เราจะเรียกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งมีชีวิตหรือว่าอยู่ในพบต่างๆคือจะต้องมีขันทั้งห้าครบใช่ไหมคะ มีขันห้าอย่าเพิ่งบอกว่าครบมันจะฟันธงอย่างนั้นไม่ได้สรุป่ามีขันห้ายังไม่รับรองคำพูดโยมนะต่อไปมีขันห้ า, า, หาแล้วไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์เดียวอย่างที่เรียนาาเรียนาาวิทยาศาสตร์ม า, า, านะคะ อ, าาอย่างนั้นเขามีขันห้าไหมคะต่ำกว่านั้นเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ไม่ได้พูดถึง ผู้เจ้าจะพูดสิ่งมีชีวิตเนี่ย <c oughs> ที่เล็ก ก, กระพือแมลงมดดำมดแดงที่ผู้เจ้าบอกภิกษุในเรื่องของปานาติบาต์โดยที่สุดแม้แต่มดดำมดแดงตัวเล็กๆนั้นผู้เจ้าเนี่ยจะใช้อายตนะที่เราสัมผัสได้ไม่ไปเอากล้องจุลทรรศน์ปลาสมัยก่อนก็ไม่มีก็ใช้เฉพาะอายตนะของมนุษย์ที่มีอยู่แค่นี้ก็คือเพียงพอ Uh huh. แล้วเวลาอย่างเช่นเวลาเราทำความสะอาดบ้านหรือว่า uh huh. ล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. uh huh. เราเราจะมีความรู้สึกว่าจะมีเชื้อโรคแล้วก็โดนน้ำยาฆ่า uh huh. ตรงนั้นก็ไ ม, ไม่ไม่น่าจะบาดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยภิกษุฉันยาเพื่อให้โรคหายผู้เจ้า ก, ก็ต้องปรับประบัตระจิตีสิไม่มีการระบุเรื่องนี้นะไม่ไม่พูดถึง ละเอียดเกินไปผู้เจ้าก็ไม่เอาก็เดี๋ยวจะเป็นสุดโต่งของความเห็นไปอีกนะไปเป็นอัตตะกริกมฐานุโยโคไปเอื้อเฟื้อกับชั่วโลกแต่ตัวเองตายไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยแล้วอานิสงส์งก็ไม่ได้มากมายอะไรใช่ไหมแล้วอย่างต้นไม้ล่ะคะอาจารย์มีวิ ญ, ญญาณไหมละ่ะต้นไม้ไม่มีวิ ญ, ญญาณกลองระบบชีวิตต้องมีวิ ญ, ญญาณเข้าไปด้วยวิ ญ, ญญาณเข้าไปจับกับลูกนามสี่ขัน แต่ระบบชีวิตก็ไม่ได้มีกบกันห้าสทั้งหมดพวกอาการ า, ารนัญจาจตนาขึ้นไปมันก็มีแค่ในส่วนของบิญญาณเวทนาสัญญาสังขารไม่มีส่วนของรูปเพราะวางรูปได้ เ, เรียนถามท่านอาจารย์ครับด้านนี้ครับ อ, อ, อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความในสติปัฏฐานสี่ครับกายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตแล้วก็<ช>ทําในธรรมครับผู้เจ้าอธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยอานาปานสติ <c oughs> จิตที่รู้ลมเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ครบเลย <c oughs> ลมหายใจเนี่ยไม่มีความรู้แต่ใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกก็คือวิญญาณว <c oughs> ิญญาณเนี่ยมารู้ลมหายใจว่ากําลังมีลมไหลเข้าไหลออก ถ้าใครเนี่ยสนใจไปที่ลมหายใจนะก็จะเป็นกายานุปัสตาสิปฐานผู้เจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ที่สูจนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะมีความเปลี่ยนเผ่ากิเลสละแต่ถ้าโยมเนี่ยสนใจมาที่จิตผู้รู้ว่าผู้รู้เราเนี่ยกําลังรู้ลมนะไม่ได้ไปรู้ธรรมชาติอื่นอันเนี้ยเป็นจิตตามนุปัสสนา เป็นการดูจิตพรนะพุทธเจ้าจะตรัสว่าเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้นะอาณาปาร์เนการรู้ลมเนี่ยนะว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมลงการรู้ลมเนี่ยมีไม่ได้กับผู้มีสติลืมลงแสดงว่าถ้ารู้ลมก็คือมีสติสัมปชัญญนะเพราะคนขาดสติจะมารู้ลมไม่ได้ เพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสูุน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลยละทาแค่เนี้ยเปลี่ยนเผากิเรย์ละถ้าใครรู้ถึงจิตที่รู้ลมเนี่ยว่าไม่ได้สุขทุกข์อะไรก็เฉยๆนะจับไปที่เวทนาคนนั้นก็จะเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาพูะพุทธเจ้าจะบอกว่า การทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้ีิสุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนแปลงไปเลย น, <c oughs> นั้นถ้าโยมเอาจิตแนบปรลงไปเรื่อยๆก็จะได้รับปิติได้รับสุขนะนั้นโยมรู้จักปิติรู้จักสุขรู้จักอุเบกขานีโยมเห็นเวทนาในเวทนานะ ถ้าโยมเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยมันไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปรู้โน้นรู้นี่เห็นอาการแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดขื่นสีอาการนี้เรียกว่าเป็นธรรมานุภัสนาสติปัฏฐานแล้วผู้เจ้าก็อธิบายว่าเมื่อเธอทำอย่างนี้จนสติปฐาน4บริบูรณ์ก็จะทาให้โพชฌงเบริบูรณ์ แค่โยมไม่ลืมลมไม่ลืมลมหายใจเนี่ยผู้เจ้าบอกนั่นเป็นสติสัมโพชฌงละใครควรอยู่ในจุดที่เรารู้อยู่คือลมหายใจกับผู้รู้ลมเนี่ยเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงความเพียรที่ใครควรต่อเนื่องเป็นวิริยะสัมโพชฌงความเพียรที่ต่อเนื่องด้วยการไม่ลืมลมใครควรทําตรงนี้จะทําให้เกิดปิติเกิดปสัสสติเป็นปิติปัสสธิสัมโพชฌงจะทําให้จิตตั้งมัน่น เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะจิตที่ตั้งมัน่นเฝ้าดูอะไรให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดเกิดถ้าโยมอาศัยจังหวะของการเห็นไม่เที่ยงจางคลายตัวเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้วิชาวิมุติเกิดขึ้นนั้นอา น, นาปาบริบูรณ์จะทําให้สติประฐานบริบูรณ์ทำให้โพชฌงบริบูรณ์ทำให้วิชาวิมุติบริบูล อ, า, อาจารย์คะพบกับชาติแตกต่างกันยังไงอะอะไรนะไม่พบกับชาติแตกต่างกันยังไงไนะไพบกับชาติอ๋ออ๋อพบกับชาต์ผู้เจา้าบอกว่าพบเนี่ยเปรียบเหมือนื้นนาพบหมายถึงสถานที่เกิด <c oughs> สถานที่เกิดนะชาติแปลว่าการเกิด สถานที่เกิดเนี่ยพระองค์เปรียบภพบคือผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนานี่เรียกว่ามีภพคือมีสถานที่เกิดมีที่ตั้งอาศัยล้นะแล้วพระุทธเจ้าบอกว่านันทิคือความเพลินเนี่ยเปรียบเหมือนน้าน้ําลดเมล็ดพืชไปเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมางอกขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติการเกิดงอกจากผืนนา คือที่ตั้งอาศัยคือพบนะนั้นเมลพือจะงอกได้ก็ต้องมีที่ตั้งคือผืนนานะมันปลิวตกลงไปในผืนนาปับ๊บนะงอกขึ้นมางอกด้วยอะไรด้วยนันทิความเพลินนะนั้นเหมือนกับจิตจิตไปรับรู้อารมณ์ปับ๊บเนี่ยมีภพโนะยมเพลินต่อนี่เรียกว่าชานะความเพลินพระเจ้าเรียกอย่างว่า จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินหรือเรียกว่าสัญโยคนะหรือก็คือชาตินั่นเองนะนี่คือพบกับชาติเข้าใจไหมนะเรื่องนี้สำคัญมากเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะพบกับชาติเนี่ยเพราะว่าจะหาผู้อธิบายอย่างชัดเจนเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะจะมีผู้เจ้าเนี่ย สามารถแยกเรื่องภพกับชาติเนี่ยได้อย่างชัดเจนด้วยอุปมาที่ทำให้เราเข้าใจง่ายเขากาศพระอาจารย์ครับ uh huh. okay. ถ้าหากว่าเราเราเข้าใจเรื่องคุริยศสิศ uh huh. ทุกสมุทรไทยนี่โลธมัอ uh huh. หรือว่าทุกสมุตรไทย มักกันนิโรธ uh huh. ในกรณีที่มองนิโรธเป็นผล uh huh. แล้วเราเข้าใจเรื่อง uh huh. อาสาทะา uh huh. คือรสอร่อย uh huh. แล้วเห็นโทษของมัน uh huh. แล้วก็รู้หนทางที่จะออก uh huh. ก็คือการละนังทิ uh huh. ให้เร็ว uh huh. ดังนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เข้าไปสู่วิมุติได้ไหมครับใช่ใช่เป็นเส้นทางที่ผู้เจ้าเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเป็นเกเพลีก็คือจะได้เป็นพระลาห์นนะบุคคลผู้เป็นเกพลีหรือพระลาห์นเนี่ยก็จะรู้ <c oughs> รู้ธรรมเจ็ดประการนะแล้วก็ฉลาดในการพิจารณาธรรมะสามประการ รู้ทรเม7ประการก็คือรู้อริยสัจสี่นะสข้อกับรู้จักอสาท้าอาทินวะและนิสลรนะเป็นเนะเช่นรู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดของเวทนารู้จักความดับของเวทนารู้จักวิธีดับเวทนารู้จักลดอร่อยของเวทนารู้จักโทษของเวทนารู้จักนิสลรนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนาตามที่เป็นจริงนะนี่คือฉลาดในฐานะ7ประการ แล้วพิจารณาทำโดยวิธี3าประการก็คือพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นอายตนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปาสาอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราต้องการจะคิดนะทิ้งความคิดได้แต่ยังไม่ค่อยดีนักหรือว่าทิ้งแล้วนะ อ, าอาจจะรู้สึกว่าเร่งเครียดจี้มันมากเกินไปจิตอยากจะไปปรุงแต่ง ก็ให้ปรุงแต่งในสามเรื่องนะพินาโดยความเป็นธาตุเช่นร่างกายเนี่ยเป็นเพียงธาตุดิมน้ำไฟลมนะพินาโดยความเป็นอายจตนะให้รู้ว่าสุขทุกข์หรือความอยากเนี่ยมันเกิดมีเหตุเกิดมาจากอายจตนะทุกทั้งหลายเนี่ยมีเพราะผัสสะผัสสะก็คือตัวอายจตนะทั้ง6นั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ ธ, ธรรมมนะ พิจารณาอย่างที่สามโดยความเป็นปฏิจจสุบาทก็ใค่ควรสายปฏิจจสุบาทเนี่ยนะว่าเพราะอะไรมีอะไรมีเพราะอะไรเกิดอะไรจริงเกิดดูว่าเ <c oughs> วทนาเนี่ยเกิดจากภาษาจริงหรือเปล่านะ <c oughs> ความอยากเกิดจากอะไรธรรมชาติในจิตเนี่ยล้วนมีเหตุเกิดทั้งนั้นนะไม่ใช่ เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปัจจักสาเหตุนั้นก่อนเราอยากเราลองดูในจิตเราซิว่าเอ๊ะเรามีความอยากไปซื้อผ้าผืนเนี้ย <c oughs> เป็นเพราะอะไรอ๋อเป็นเพราะเราพอใจเราพอใจเพราะอะไรเพราะมีตาไปเห็นผ้าเห็นไหมอย่างนี้นั้นพอย้อนกลับมาก็คือไล่ลําดับว่าภาสเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาความอยาก ความอยากเกิดความยึดนั้นพอเราอยากต้องการได้สิ่งใดอ่ะจ่ายเงินซื้อปั๊บนี่ก็กลายเป็นของเรานะยึดละว่านี่ของฉันนะนั่นนี่คืออาการของจิตที่จะไหลไปตามเหตุปัจจัยนะขอการพระอาจารย์อีกท <c oughs> ักคำถามหนึง <c oughs> ครับ <c oughs> ตอจากคำถาม ต่อจากคำกล่าวของพระอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการที่จะออกจากกระแสปฏิจจสมุปบาทนะครับเมื่อมีอวิชาเป็นปัจจัยย่อมมีสังขารทั้งหลายเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัยย่อมมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยย่อมมีนามรูปเมื่อมีนามรูปเป็นปัจจัยย่อมมีสไรยตนะ เมื่อมีไตรจิตนาเป็นปัจจัยย่อมมีผัสษาเมื่อมีภาษาเป็นปัจจัยย่อมมีเวทนาเมื่อมีเวทนาเป็นปัจจัยย่อมมีตัณหาเมื่อมีตัณหาเป็นปัจจัยย่อมมีอุปทานเมื่อมีอุปทานเป็นปัจจัยย่อมมีภพเมื่อมีภพเป็นปัจจัยย่อมมีชาติเมื่อมีชาติเป็นปัจจัยชรามอนัสโกรปริเทวะทุกขะโทมานาอุปายาสักองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยการอย่างนี้ผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า ในกรณีที่เราจะออกจากกระแตปัิจตุบาทในช่วงของก่อนภัสษะคือภัสษะจะทำงานได้ด้วยสามอาการก็คือว่าวิญญาณกับนามรูปทํางานด้วยกันทีนี้ถ้าหากว่าเราเช่นตาไปกระทบรูปแต่ว่าวิญญาณเราไม่ลงไปภัสษะจะไม่เกิดกผมถามว่า <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นมรรคิธีที่รัดสั้นง่ายกว่าที่จะไปออกตรงไปออกตรงพบชาติเพราะว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องใช้ความเพียรอย่างมากเพราะว่ามันไหลไปแล้วแล้วก็ในส่วนของผลก็ได้เหมือนได้ได้เหมือนกัน ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับมุมมองตรงนี้ก็ใช่อยู่ผู้เจ้าจะบอกว่าการพิจารณาผัสสะเนี่ยจะเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนะนั้นใครหยิบองค์ประกอบของผัสสะมาพิจารณามาแยกองค์ประกอบมาให้ควรนะคนนี้จะเข้ามรรคผลนิพพานง่ายแต่เนื่องจากผัสสะเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลา ทุกขณะแห่งการเกิดดับของวิญญาณคือการเกิดขึ้นแห่งผัสสะมันจะเร็วมากนั้นไหลามาถึงตัณหาอุปชาอุปทานภพชาติเนี่ยมันก็ยากง่ายคนละแบบยากก็คืออย่างที่ยงมว่ามันแหมมันยึดไปแล้วกว่าจะแก้ได้มันยากนะแต่ไอตรงกระจายผัสสะนะ มันง่ายตรงที่ว่าเออมันยังไม่ได้มีความยึดอะไรรีบตัดก่อนแต่มันจะยากตรงที่ว่ามันเร็วมากนะทุกภาษามันสร้างทุกให้เราได้หมดเลยเดี๋ยวเราแก้ทางตาได้ปั๊บมันไปทางหูแล้วปั๊บเดี๋ยวมันไปทางกลิ่นเดี๋ยวมันไปทางใจอีกแล้วเราจะตามมันไม่ไหวไม่ไม่ไมค่อยทันแต่เราจะจับวิธีนี้วิธีเดียวก็ได้และจะเป็นวิธีที่เข้ามรรนิพพานง่าย นั้นถ้าเราทนทนอยู่ที่จะจับวิธีนี้วิธีเดียวเดี๋ยวก็เก่งนะอการที่เข้าไปสู่จุดนั้นผมมองว่าออ่าจะต้องเริ่มจากทิการละนันทิได้เร็วดดดกับพริบตาชเพื่อเรียกสติเข้ามามเพราะว่าการที่จะไม่ให้ภาษาเนี่ยเกิดคือไม่ให้เกิดเรื่องนะครับอมันเร็วมากอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้เพราฉะนั้นตรงนี้เนี่ย สติจะต้องเร็วกว่ากับพริบตาต้องทันต้องทันนั้นก็คือถ้าจะใช้ตรงนี้ก็คือละนันทีไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรละนันทีละนันทีล ะ, ล ะ, ล, ะละไปเรื่อยมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะรู้ตัวเร็วขึ้นจิต ค, คิดเรื่องนี้ปั๊บรู้ล ะ, ะตาทบรูปปั๊บกำลังพอใจไมพ่พอใจรู้ละนะมันจะเห็นอาการจิตทุกขณะเลยเวลาโยมมีสติที่รวดเร็วที่เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยโยมจะรู้เลยว่า อะไรอยู่ในจิตที่มันปรุงเนี่ยเรารู้หมดเลยเราจะเอามันเริ่มปรุงนี้ล้วปรุงนี้ล้วอย่างเนี้ยก็อยู่ที่เราเนี่ยมีกําลังที่จะหยุดไหมนะอย่นี้ก็จะได้ประโยชน์มาส่วนหนึ่งที่ที่ที่ผมคิดว่าพอจะพอจะพอที่จะเป็นอุบายได้ก็คือว่าเวลาที่เราปฏิบัติ อนาปาสิกคดี เ, เราพยายามที่จะแยกพลาดรู้เนี่ยออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ถูกรู้ อ, าาอีกส่วนหนึ่ง อ, อันนี้จะได้ไม่ต้องพระชันพอให้มุมมองใช่ก็ถูกนั่นแหละนะเพราะว่า <c oughs> ขณะที่เราจเจรณนนาปารเนี่ยนั่นคือเราต้องเห็นความสัมพันธ์การทำงานของขันดังห้า เราจะรู้จักว่าวิญญาณเนี่ยมันวนเข้ามารู้ในรูปบ้างเดี๋ยวเวทนาเดี๋ยวไปสัญญาเดี๋ยวไปสังขารมันจะปรุงไปเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของของจิตแรกๆเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ผิดก็คือคิดว่าจิตเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งกลับมาวิ่งไปแต่พอดูไปเรื่อยๆดูไปดูไปนานเข้านานเข้า จะเริ่มรู้ว่าขณะที่จิตไปสู่อารมณ์นี้จิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดจิตดวงหนึ่งดั บ, ด ว, ด, บดวงใหม่เกิดดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็จะเห็นละเอียดมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นสมาธิิมากขึ้นนะอย่างน้อยอันดับแรกเห็นการมาการไปเห็นการแปลเปลี่ยนนั้นมั่นคงเชื่อมั่นแล้วว่าจิตเนี่ยแปลเปลี่ยนแน่นอนนะไม่คงที่โสดาบันละเห็นไหม จากนั้นเริ่มเห็นอาการที่มันแปรเปลี่ยนตอนแรกก็ยังคิดว่าจิตเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้อารมณ์นี้อารมณ์นี้แต่พอดูไปดูไปเอ๊ไม่ใช่นะกลายเป็นว่าจิตดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิ ด, ดอย่างนี้ขอขัดพระอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอนาปาัสติสซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมมองว่า <c oughs> การปฏิบัติอนาปาัสสิสเนี่ย ซึ่งเป็นหมวดของกายานุปัสนาเนี่ยเป็นเพียงสมถะเท่านั้นแต่ว่าเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวิปัสนาคบคู่กันไปถ้าเรามองเห็นมุมมองของการเกิดดับใช่ใช่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครูเจ้าบอกสมถะวิปัสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟนนะพอยมคลิกไปเห็นการเกิดการดับเนี่ยปั๊บเนี่ยเป็นวิปัสนาทันทียมจะเห็นรูปดับนามเกิด พอดึงกลับมานามดับรูปเกิดนะและถ้ามามองมุมของจิตก็จะเห็นจิตดับจิตเกิดจิตดับจิตเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะร่างกายยังไม่ตายแต่จิตหายไปจากลมหายใจกลายเป็นคนดับจิตเป็นคนดับเหนนะ็นั้นเวลาเราจะดูจิตเกิดดับก็ต้องเอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะกลับมาที่พื้นฐานเลยนะนั้นคน ผู้ที่กําลังเดินอนุต ร, รมรักกับผู้ที่เดินมรักทีแรกใช้วิธีเดียวกันเลยนะ mm. ก็คือนั่งรู้ลมหายใจเฉยๆแต่คนดูแรกๆก็จะไปมองลมหายใจพอคนปฏิบัติไปมากๆแล้วจะเริ่มมองเห็นนามธรรมคือตัวจิตที่เข้ามารู้ลงเริ่มสังเกตเห็นว่าจิตไปรู้อะไรบ้างจะรู้ลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นพระเจ้านั่งรู้ลมหายใจแค่เนี้บนยบรรญัติได้ตั้งหลายอย่าง เช่นบัญญัติว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนบัญญัติว่ามีการเกิดดับของลูกนะการดับของลูกการเกิดของนามการดับของนามการเกิดของลูกขณะที่จิตเราหลุดไปคิดอดีตเราไม่รู้ลมวินาทีนั้นเราก็ไม่รู้สังขารไม่รู้เวทนาพระเจ้าก็บัญญัติจิตเนี่ยรับรู้ได้ทีละธาตุไม่สามารถรู้ควบ ก, กันสองธรรมธาตุได้เห็นนะทีนี้บุมพิณาตรงเนี้ยมัน มันละเอียดมากมันบางๆละเอียดเพราะฉะนั้น <c oughs> เราต้องใช้การสังเกตที่ที่ดีมากเลยจริงต้องเฝ้าดูไปเรื่อยๆเฝ้าดูไปดูไปสักเวลาหนึ่งก็เริ่มสรุปนะสรุปจากบทเรียนที่เห็นมาเห็นมาเห็นมาเรื่อยๆได้ว่าอ๋อจิตมันทํางานอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าเห็นไปเรื่อยๆก็บัญญัติออกมาว่าวิญญาณจะวนอยู่ในสี่ธาตุ คือลูกเวทนาสัญญาสังขารแค่นี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธาตุนี้เนี่ยเริ่มสรุปได้แล้วเหมือนกันเพราะนั้นเรามานั่งดูจิตดูลมหายใจเนี่ยก็เห็นกระบวนการทำงานของขันห้านะซึ่งเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าขันห้ามันก็ทำงานของมันอยู่อย่างนั้นพระเจ้าจึงเรียกว่ามันเป็นตัทธตามันเป็นเช่นนั้นเองมันก็ทำงานของมันไปอย่างนี้ มันเป็นอวิตรตาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นไม่มีทางผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นแน่นอนเป็นอนัญญตาตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะยังไงมันก็จะวนอยู่สี่ท่านเนี้ยเหมือนเดิมและเป็นอิทัพ ป, ปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นถ้ามีวิ ญ, ญญาณเข้าไปรู้นะก็จะมีรูปนามเกิดขึ้นมีการก้าวลงแห่งรูปนามหรือการปรากฏแห่งรูปนามขึ้นถ้าวิญ ญ, ญาณดับ รูปนามก็จะดับนะถ้าเหตุปัจจัยนี้ดับเหตุปัจจัยนี้จะดับด้วยถ้าเหตุปัจจัยนี้เกิดเหตุปัจจัยนี้จะเกิดด้วยนะพอเราไขควณตรงนี้นะเราย้อนกลับไปดูที่พูะเจ้าตรัสนะแม่มรงเป๊นะเป๊ะเป๊ะหมดเลยอยากให้พระอาจารย์ให้มุมมองตรง วิญญาณยะไม่ฟุ้งไปภายนอกและไม่สยกอยู่ในภายในครับอ๋อตัวนี้ก็ผู <c oughs> ้เจ้าท่านตัดไว้สั้นๆ <c oughs> แล้วก็ลุกจากที่ประทับหลีกไปพวกพิสูจน์ทั้งหลายไม่เข้าใจก็เลยไปถามพระมหาัจานะพมหาัจานะอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าต้องการความถูกต้องเนี่ยให้ไปถามผู้เจ้าอีกทีหนึ่ง ตังเข้าใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็เลยไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยรับรองคำพูดของพระหมหากัจรานะาว่าถ้าเราอธิบายจะอธิบายอย่างนี้เหมือนกันนะการที่วิญญาณฟุ้งไปในภายนอกก็คือวิญญาณเนี่ยฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะอันนี้เรียกว่าวิญญาณฟุ้งไปในภายนอกโยมก็เพลินกับการเห็นเพลินกับการได้ยินการได้กลิ่นนะ การรับรู้รสสัมผัสทางกายที่เรียกว่ามันฟุ้งในภายนอกละ <c oughs> แล้วก็อีกอันคือวิญญาณไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในหมายถึงการที่เราเนี่ยเข้าสมาธิเข้าสมาธิได้ชา้นที่หนึ่งชั้นที่สองทุติยชาตติยชาตจตุชาตแล้วเราเนี่ยเพลินต่ออัศธาลดอร่อยของสมาธิอันนี้จะเรียกว่า ตั้งสยบอยู่ในภายในและตัวนี้จะเป็นเครื่องวัดว่าคนที่ทําสมาธิมากเนี่ยที่หมายถึงติดสมาธิเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัววัดคือเอาว่าคนคนนั้นเนี่ยเพลินต่อรสอร่อยของสมาธิไหมไม่ใช่ว่าเอาตัวนั่งนานมาเป็นตัววัดหรือตัวนั่งสมาธิบ่อยนะซึ่งเราจะเข้าใจผิดเห็นคนนั่งสมาธิบ่อยก็บอกอคนนี้ติดสมาธิแล้วไม่เกี่ยว อยู่ที่ใจคนนั้นเนี่ยเพลินต่อรสอร่อยของสมาธิไหมถ้าเขาเพลินแสดงว่าเขาตั้งสยบในภายในแต่ถ้าเขานั่งบ่อยเขานั่งนานแล้วเขาตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าในสมาธิไม่ได้ชื่อว่าเขาติดสมาธิ <c oughs> นี่ก็อีกมุมหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดกันนะครูเจ้าจึงบอกว่าอย่าตั้งสยบอยู่ในภายในเมื่อได้รับ รู้รสอร่อยของสมาธิแล้วเนี่ยก็ให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปนะไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรถาวรทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับหมดมีสมุทัยกับนิโรธเราเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธก็คือเห็นอริสสัตสีนั่นเองนะเห็นสัจจกความจริงของมันนะตัวสัจจกความจริงตรงนี้เมื่อเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไร พูทธาบอกจะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโอมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสอตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะเห็นว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยเป็นคนละตัวกันเพราะขณะที่สิ่งที่เราสังเกตเนี่ยมันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเราผู้สังเกตเนี่ยไม่ได้หายไปตามมันเรายังเห็นมันหายไปและมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอีก เราก็จะสามารถแยกผู้สังเกตออกจากสิ่งที่เรากำลังสังเกตได้ผู้สังเกตเนี่ยที่ลึกที่สุดนะผู้สังเกตมันจะถอยตัวเข้าไปเข้าไปแรกแรกผู้สังเกตก็จะเป็นวิญญาณ น, นั่นแหละแต่พอต้องการ <c oughs> สังเกตวิญญาณ น, นะทีนี้จะเริ่มยากขึ้นวิญญาณกลายเป็นผู้ถูกสังเกตและเราจะต้องเป็น ผู้ที่สังเกตวิญญาณอีกทีหนึง่งนั้นผู้ที่สังเกตวิญญาณอีกทีหนึ่งเนี่ยเราหามันไม่เจอเราได้แต่มองว่าวิญญาณเนี่ยมีการเกิดการดับการเกิดการดับซ้ําไปอย่างนิรเรศจนกระทั่งสุดท้ายได้พระละหันเราถึงจะเข้าถึงผู้ที่สังเกตวิญญาณอีกทีหนึง่งเพราะฉนั้นตรงจุดสุดท้ายเราไม่สามารถทําวิธีอื่นได้นอกจากทนเห็นการเกิดดับของวิญญาณไปเรื่อย นะนั่นคือระวังของหนักก้อนสุดท้ายลงความเบาก็ปรากฏเองไม่ต้องไปวิ่งหานะการวางของหนักก้อนสุดท้ายก็คือตอกย้ำอริยสัจกับมันเรื่อยๆก็คือวิญญาณมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอย่างนีนะ้ก็ทำซ้ำอย่างเดิม ได้ไั้มมีอยู่2นะครับโอ้ อ, อ, องสุดทีสุดประเสริฐอืมก็เของีเอาของสุดทีสุดประเสริฐเป็นคนเขียนโปรแกรม อ, อีกอืมอีกอันเนี่ยเขามันไม่ใช่พุทธศาสนาะมีแต่งขึ้นด้วย <c oughs> อืม a n d ดกับไอโฟนโอวีเดี๋ยวเริ่มเป็นเทคนิคละตั้งถามมินโอวีคืออะไรอาลมารู้ก็ก็ก็แก๊กนะไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวตั้งถามกูชํำนาญโอวีคืออะไรนะเป็นอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งของโนเกีย <c oughs> ของโนเกีย <c oughs> อ๋อของโนเกียใช่ไหมเดี๋ยววัน <c oughs> นั้นเขาทำมาให้แล้วอ่ แต่มันมันยังไม่ค่อยนั่นตอนนี้ไม่น่าใจเห็นข่าวว่าโนเกียเขาจะเอาของแอนดรอยเข้าไปเขาเลยรอเห็นคนเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาก็ารอบอกว่าถ้าจะเขียนก็ไม่ยากไม่เกินเดือนก็เสร็จเขาเลยยังไม่อยากทำนะอ่าอย่างของของพวกนี้แล้วของบีบอะไรเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวรอให้มันเอา and ดรอยอัดเข้าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเขียนไปในตัวตัวเมนละอ่า อฮะอฮะใ่ฮาฮะา่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮา่าาฮ่าฮ่าฮา่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ารา่า เราถึงผูกติดกับความโกรธอยู่นั้นใช่สามารถพูดด้วยคำเดียวว่าฉันทะขณะที่เราโกรธเนะี่ยเรามีฉันทะกับมันนะเราถึงผูกติดกับอารมณ์โกรธนั้นไปอย่างเงี้ยมุมเดียวใช่จริงๆทั้งสองมุมนะพระเจ้าจะบอกว่าถ้าฉันทะใน รูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่พิสุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไวย่อมปรินิพานเฉพาะตนแค่ละฉันทาตัวเดียวฉันทาแทนโทสะโมหะได้หมด โยมไม่มีฉันทะที่จะอยากเข้าไปรู้หรือรับทราบหรือเข้าไปตั้งอาศัยในรูปนามหรือวิญญาณหลุดพ้นทันทีเลยนะใช้คําว่าฉันทะตัวเดียวได้เลย น, นี่คือตัวใหญ่เลยนะนนผู้เจ้าจะบอกฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงละฉันทะได้จิตหลุดพ้นเลยนั้นการละฉันทะคือการละความเพลินนั้นพอละความเพลินจะละฉันทะคือพอใจได้ละพอใจได้ก็จะไม่เพลิน ร่เพลินร่าพอใจ Court, จิตหลุดพ้นก็ตัวเดียวกันนั่นแหละใช่ใช้กันคนละขั้นตอนนั้นฉันท้าตอนแรกเนยผู้เจ้าบอกฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยเธอต้องรวบรวมหญ้าและไม้แห้งทำเป็นเรือแพและเพียนพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างน่ะ นั้นครั้งแรกโยมต้องมีฉันทะในการทําเรือแพก่อนถ้าไม่อาศัยฉันทะตรงนี้ก็ข้ามไปฝั่งโน้นไม่ได้แต่เมื่อข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วเนี่ยจะมีฉันทะในเรือแพอีกไหมวะเรือแพมีอุปการะต่อเรามากฉะนั้นเลยแบกขึ้นบ่าไปด้วยกันหรือทูลไว้บนหัวไปด้วยกันก็ไม่มีใครแบกเรือแพไปด้วยก็ทิ้งไว้ตรงนั้นฉะนั้นตัวฉันทาที่สุดก็ต้องทิ้งทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่พระเจ้าแสดงเนี่ย ต้องทิ้งหมดเลยเมื่อถึงฝั่งแล้ว <c oughs> <c oughs> และเหตุอะไรที่มันทำให้เกิดอัศาธาในความโกรธครับควา ม, วามเข้าใจผิดเนี่ยความเข้าใจผิดคิดเป็นเพราะอนุสัยหรือว่า เ, เป็นเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราโกรธในครั้งนี้กับเรื่องเดิมแล้วครั้งต่อไป เ, ออเราอาจจะจะไม่พิจารณา แล้วก็โกโรธอีกซ้ําอย่างนี้มันก็ ม, มันก็เป็นความเคยชินใช่ไหมฮะส ม, สมจะเป็นอย่างนั้นนีการพิจาณาของโยมเนี่ยจะหมายถึงการคิดแต่การพิจาณาโดยนัยะที่ละเอียดคือเห็นเกิดกระดับสองตัวแค่นี้จะได้ความเข้าใจในอนัตตาเป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสโดยตรงโยมไม่ต้องไปไข้ควรเนื้อหาของความโกโรธแต่ให้เห็นว่าโกรธเกิดโกรธ ด, ดับโกรธเกิดโกรธ ด, ดับที่สุดจะเข้าใจว่าโกรธเป็นอนัตตา เหตุที่ความโกรธ <c oughs> เราละมันไม่ได้เพราะมันมีหลายรูปแบบแต่รูปแบบต่างๆมันแสดงด้วยขันห้าโยมจะโกรธญาติพี่น้องโกรธเพื่อนโกรธใครก็ตามมันก็แสดงมาด้วยการปรุงแต่งหยิบขันห้ามาใช้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโยมแค่ละความพอใจในขันห้าความโกรธจะถูกดับไปทันทีนะเพราะมันใช้ ขันห้าแค่นั้นในการแสดงรูปแบบออกมาการโกรธพอโยมมองเข้าไปโอ้มันก็ปรุงแต่งอะปรุงแต่งปรุงแต่งสัญญาสังขารสองตัวนี้เล่นเล่นบทบาทอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าโยมเข้าใจสัญญาสังขารว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นคิดไปดี บ, บ้างปรุงอนาคตบ้างแค่นี้จะเป็นกี่อารมณ์มาก็ตามถ้ามันหยิบขันสองขันนี้ขึ้นมาใช้มันก็จะหมดราคาไปทันทีเข้าใจไหจับที่ต้นตอของมันเลย <c oughs> อา่าฮะเชนทางอะไรนะรับ <c oughs> น้องนะคะ่ะพอวันนี้ก็เลยเอาในส่วนของหลักธรรมอาณาปาณสติกับราดังที่ให้เขาอ่านแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้จักการาเทศซะถ้าจะไปเผยแพร่ว่าพุทธศาสน า, าก็ให้ไปที่อื่นไปแต่วัด ไม่ไปโรงพยาบาลอาจารย์คิดว่าบุคคลที่นนี้เป็นบุคคลเช่นไรคะอาจารย์อ๋อมาถึงไปเผยแผ่อานาป่าที่โรงพยาบาลไม่ใช่ค่ะก็คือว่ามันมีงานรับน้องที่วิทยาลัยค่ะงานรับน้องที่วิทยาลัยแล้วยังไงนะแล้วทีนี้พรอมนี้ก็เลยเออเวลารับน้องมันจะมีแบบเหตุการณ์อะุนแรงใช่ไหมพรอมนี้ก็เลยเออพูดเรื่องล่านนณตีกับอานาปานาสติออือเขาก็บอกว่าไม่รู้จักกาลเทศะ อ, อถ้าคุณจะเผยแผ่พระพุทธศาสนา<อ>ก็ให้ไปที่อื่นอค<อ>ุณอะไปแต่แต่วัดโรงพยาบาลไม่ไปเพราะว่าบ<อ>ุคคลที่เราใช้ธรรมะเตือนแล้วเขาต่อกัมม า, า<ๆ>เขาเป็นบุคคลเช่นไรก็อาจารย์ก็เป็นมิจฉาทิจีนะอ่ะอัสัตตบุรุษยิ่งกว่าอัสัตตบรุษตัวเองก็ไม่ปฏิบัติมรรคแปดแล้วยังห้ามคนอื่นไม่ให้ปฏิบัติมรรคแปดไม่ชี้นาในธรรมะของสัตตบุรุษนะ ส่วนสัตบุตรยิ่งกว่าสัตบุตรตนเองปฏิบัติมรคแปดแล้วยังพยายามแนะนําให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติมรคไม่งแปดด้วยเรียกว่าสัตบุตรยิ่งกว่าสัตตบุตรคนดียิ่งกว่าคนดีนะโอ้พระเจ้ามีบอกไว้หลายพระสูตรเยอะนะก็เป็นเรื่องของคนมืดคนบอดนะคนที่มีเรียกว่าอัจฉาสายน้อมไปในเหยื่อของโลกก็อยากจะฟังแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลม แต่เรื่องใดที่เป็นเรื่องสงบประงับเรื่องการปารกความเพียรเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติอันทัศนะพวกนี้จะไม่เงี่ยวหูลงฟังนะจะไม่อยากรู้นะไม่อยากฟังแต่ถ้าโยมพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮานะเขาจะเงี่ยหูลงฟังทันทีนะคนพวกนี้เรียกว่าผู้มีอัจชาสัายน้อมไปในเหยื่อของโลก ก็เดี๋ยวจะให้ฟังธรรมะจากพระโอษฐ์สักสองเรื่องเนปะ็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะจะเกี่ยวกับเรื่องที่พระศัสดาบอกว่าถ้าธรรมะของพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยธรรมะหรือคําพูดของคนอื่นเนี่ยจะเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยคําพูดของพระสัสดาจะเปรียบเหมือนแสงดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์ส่องขึ้นมาแล้วเนี่ยหิ่งห้อยจะอับแสงนะคำพูดคนอื่นจะหมดราคาตรงนี้จะเห็นจริงตามนั้นเลยว่าถ้าโยมเสพธรรมะพระศาสดามากแล้วเนี่ยธรรมะคนอื่นหมดราคาจริงๆนะทานมาเลยบอกลองสักปีเดียวโนะยมอ่านของคนอื่นมาหลายสิบปีแล้วลองของผู้เจ้าปีเดียวใจโยมจะเปลี่ยนเลยนะไม่บอกให้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเพราะมันจะเห็นความละเอียด ความลึกซึ้งความถูกต้องในคำของพระาศาสดานะมันจะเกิดอารมณ์นี้เหมือนกันแทบทุกคนเลยที่ศึกษามานานๆ น, น, น, น, นะคำคนอื่นจะหมดราคาแล้วก็อีกข้อสูตรหนึ่งจะ <c oughs> ให้ฟังเรื่องเสาเขื่อนเสาหลักนะว่าผู้เจ้าเนี่ยให้ใช้กายของเราเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตเอาจิตตั้งอยู่กับกายให้มากนะเรียกกายยคตาสติ กายคกตาสติก็คือรู้ลหมหายใจเข้าออกรู้ตามการเคลื่อนไหวริยบต์อย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่กับกายให้มากเนี่ยเราจะสามารถหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าถึงนิพพานได้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยส่วนใหญ่กายยกตาสติ <c oughs> ถ้าเราฟังทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก็มักจะ พุ่งเป้าไปที่อสุภะซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่อสุภะอย่างเดียวผู้เจ้าตรดกายขัตาสติเนี่ยคืออนาปานาสติการรู้ตามการเคลื่อนไหวรนบทสติอธิษฐานการงานการพินาสุภะการเจริญชันหนึ่งาสล้วนเป็นกายขัตาสติทั้งหมดนะ <c oughs> อันนี้พระองค์ก็จ ะ, ะเน้นเรื่องกายนะแล้วก็ลมหายใจ เดี๋ยวเราต่อไปตั้งใจฟังพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ขอการ น, นะโมตัสสะพระควะโตรหาโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธประวัติจากพระโอษณะสา้าย8เรื่องพอดวงอาทิตขึ้นหิงห้อยก็ออับแสงตรัสแก่พระอานุ์ที่เชตวัน เป็นอย่างนั้นอานนเป็นอย่างนั้นอานนตลอดเวลาที่ตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองยังไม่เกิดขึ้นในโลกอยู่เพียงใดเหล่าปริพากผู้เป็นเนรถีอื่นก็ยังเป็นที่สาการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมและยังมีลาบด้วยจีวร บินทบาศเสนาสนะขิลานเพษัตอยู่ตลอดเวลาเพียงนั้นอานนในการใดตถาคตผู้เป็นอรหันตรัสรู้ชอบเองเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นเรล่าบริพราชกผู้เป็นิถีอื่นก็หมดความเป็นที่สการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม และไม่มีลาบด้วยจีวรบินทบารเสนาสนะและกีฬานาเพสัดและในบัดนี้ตถาคตเป็นที่สการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมและมีลาบด้วยจีวรบินทบารเสนาสนะกีฬานาเพสัด ร, รวมทั้งภิกษุสงฆ์นี้ด้วย พระผู้มีพระภาคทรงแจมแจ้งในความข้อนี้ได้ทรงอุทานคำอุทานนี้ขึ้นว่าหิงห้อยนั้นย่อมส่องแสงอยู่ได้ชั่วเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาครั้นอาทิตย์ขึ้นมาหิงห้อยก็หมดแสงไม่มีแสงสว่างอีเดรธีทั้งหลาย ก็เป็นเช่นนั้นโอกาสอยู่ได้ชั่วเวลาที่บุคคลผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองยังไม่เกิดขึ้นในโลกพวกที่ได้แต่นึกนึกเอาคือไม่ต ร, รัสรู้ย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกันผู้ที่มีความเห็นผิดจะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลย ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวร น, นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหงดมกลิ่นด้วยจมูลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโธพธิภพด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารัก ไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตไม่เลื่อนลอยตามอารมณ์ย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิด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 นำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งพิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเต่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันไปเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำ นกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าพิสุจนทั้งหลายในการดายแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจา้านั่งเจา้า นอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขือนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมกระทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็ ivat, จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยั่งจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยักขยแงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงกายก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะแขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคำว่า <c oughs> เสาเขือนหรือเสาหลักนี้เป็นคําเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายบึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจยากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานเครื่องนำไป กระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆ <c oughs> เพียรเสริมสร้างโดยรอบข้อเพียรปรารภสมำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายกพงสํสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แลเอวัง <c oughs> ตั้งใจรับพรกันยูโตปลลัตโตธีโร ว, นนวันณโทปฏิปานัโทสุขัสสะตาตาเมธาวีสุขังโซอธิขัสสติายุงทัตตะวาปลังวันนางสุขันจับปฏิปา น, นัโท กาเลทะทันติสัพัญญาวันยูวีตัมจาราิเสุุุุตสินตสุวิปัสนามนาตัสสาวปุลาโหติตาินาเยตัทาอนุโมทันติเวียวัจจังการติวานาเตนัทกินาโอนาเตปิปุญญสัพากิโน ตาสมาทัเถอะปาติวานาจิตโตยะถาตินังมหาพลังปุญญานิปัลโลกัสมิงปะติธาโหุนติปานินันติ